เรื่องไม่ถูกตำหนิโดยศีละอุบาลีคาถา477ลำดับนั้นพระอุบาลีลุกจากอาสนะหม่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาดังนี้ว่า478พระอุบาลีกราบทูลถามว่า เมื่อมีกิจการปรึกษาการตีความและการวินิจฉัยความเรื่องวินัยเกิดขึ้นแก่สง์ในพระธรรมวินัยนี้ภิกษุเช่นไรจึงจัดว่าเป็นผู้มีอุปการะมากและควรแก่การยกย่องพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเบื้องต้นภิกษุมีศีลไม่ด่างพร้อยมีมารยาทสงบส ง, งยม ศัตรูตำหนิไม่ได้โดยธรรมเพราะไม่มีความผิดที่จะตำหนิได้เธอผู้เช่นนั้นตั้งอยู่ในศีลวิสุทธิกล้าหาญพูดจาฉะฉานเข้าที่ประชุมก็ไม่หวาดหวัน่นไม่ประมาพูดมีเหตุผลไม่เสียความเมื่อเธอถูกถามปัญหาในที่ประชุมก็คงเป็นเช่นนั้น ไม่นิ่งอึง้งไม่เก้อเขินเป็นผู้ชำนาญการพูดถูกกาละสามารถตอบได้เป็นที่ชอบใจของวินยูชนเคารพภิกษุผู้มีพันษามากกว่าแก ล, กล้าในอาจริยวาดของตนวิภากวิจาร์ได้พูดได้คล่องสามารถจับข้อผิดพลาดของศัตรูได้ เป็นเหตุให้ศัตรูต้องพ่ายแพ้และมหาชนก็นิยมเธอย่อมไม่ลบล้างความเชื่อคืออาจริยวาทของตนสามารถในการแก้ปัญหาสามารถทำงานทูตและรับธรรมกิจของสงดุดรับบินทบาตของที่มีคนนำมาบูชาฉะนั้นเมื่อถูกสงส่งไปเจรจา ก็ไม่ทนงตัวว่าตนทำได้เพราะการทำหน้าที่เจรจานั้นภิกษุต้องอาบัตเพราะวัตถุมีประมาณเท่าใดและการออกจากอาบัตย่อมมีด้วยวิธีใดวิพังทั้งสองนั้นมาแล้วด้วยดีแก่ภิกษุรูปนั้นผู้ซึ่งฉลาดในวิธีออกจากอาบัตอนหนึ่งพิกษุทํากรรม มีก่อความบาดหมางเป็นต้นเหล่าใดย่อมถึงการขับออกและถูกขับออกด้วยเรื่องเช่นใดเธอฉลาดในวิพังย่อมเข้าใจวิธีการรับเข้าหมู่แม้นั้นที่ควรทำแก่ภิกษุผู้ประพฤติวัดนั้นเสร็จแล้วเธอเคารพภิกษุทั้งหลายผู้มีพันษามากกว่าคือทั้งที่เป็นเถระมัชชิมะและนาวกะ เป็นบัณฑิตทำประโยชน์แก่มหาชนในโลกนี้ภิกษุเช่นนี้จึงควรแก่การยกย่องในธรรมวิันนี้แหละโกสัมพิกะขันธกะที่สิบจบ